สิกขาบทที่12ภิกษุณีบวชให้สิกขมานาทุกทุกปีต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังบวชให้ต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี